ก็จะมาป่วยมาเช่นนานไม่ได้บันทึกเสียงไม่ได้ออกข่าวบรรมบันดาแทนพุทธบริษัททราบตามหนังสือทั้งนี้เพราะว่ากฎธรรมดาของร่างกายมันก็เป็นอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเกิดแก่เจ็บตายอาการป่วยจริงๆบรรดาท่านังหลายมันป่วยมาตลอดชาติแต่วความรุแนแรงขอาการป่วยเริ่มตั้งแต่ วันที่สิบห้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยี่สิบห้าตั้งแต่นั้นมาการป่วยทวีขึ้นเป็นตานันดับและก็ถึงที่สุดการป่วยหนักปีพศสอ ง, งพันห้ารอยี่สิบแปดตอนกลางวันสาปรากฏว่าป่วยถึงขั้นจะต้องเกือบตายมี่อการเพริอยู่หนักแต่ก็ในที่สุดร่างกายเขาสามารถส่งข้นมาได้ อั น, นนี้ต่อสายพุทธบา ร, รมีคือบา ร, รมีของพระ เ, เจ้าพระบาเจพระเจ้าก็ะธรรมแล้วระอริยสงฆ์ทั้งหลายตลอดจิงคูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งหมดและพรมหาเทวดาท่านช่วยถ้าพูดอย่างนี้คือเป็นความฝันมากเกินไปแต่ก็เป็นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาแา่พุทธบริษัทชายหญิงทั้งที่มีอายุแก่กว่าอาตมา เสมอแต่มาอ่อนกว่าขั้นลูกขันหลานต่างคนก็ต่างในความป่วยไข้ไมส่สบายบางท่านถึงก็คอยฟังข่าวอย่างสมัยที่กลับมาจากอเมริกาพวกคนเราทราบว่าป่วยหนักแค่ไปป่วยที่อเมริกาไปถึงชิคาโก้ก็ดีอยู่สองวันหลังจากนั้นก็ป่วยเฉียบพันก็ลงความว่าการป่วยเท่านั้นเข้าถึงขั้นตายกันแน่ ว่าปิดทั้งหมดไม่สามารถจะคใครไข้ออกมาได้อาการหนักมากแต่ก็อาศัยพุทธบารมีบารมีพระพุทธเจา้าพระประเจพุทธเจา้าพระอริยสงฆ์โทมเทวดาตลอดจนทั้งหมอที่รักทำการรักษาหมอที่รักษาชื่ออะไรกไมัยศาบ์ลืมชื่อไปแล้วชื่อเขาจริงๆอาตมาตั้งชื่อให้ชายี เธอไปอเมริกาด้วยช่วยจริงๆคนนี้ไม่มีโอกาสที่จะได้เที่ยวเตร่กับเขาตอนนี้เพราะว่าการคบพระแก่ช่วยส่งเสริมพระแก่พยายามบนเทาความทุกข์พระแก่เธอก็ต้องแก่ไปด้วยคำว่าแก่ในที่นี้ก็หมายความว่าเขาไม่ได้เที่ยวกันเธอไม่ได้เที่ยวมีความห่วงใหญ่เป็นพิเศษแล้วก็ทั้งพระก็ดีเนนก็ดีเนเนไม่มีไป พูดติดปากไปคนทั้งหลายที่ไปก็ดีต่างคนก็ต่างมีความโหวงใหญ่แต่มันก็ยังไม่ตายท่านพุทธบริษัทอยู่ชิดไครก็หลายวันอาการป่วยไม่คลายหนักจนกระทั่งไม่สามารถจะคุยกับใครได้แต่ใส่ร่วงวงกำลังกายเท่าที่มีอยู่และกำลังใจเวลาบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายจะมาเจริญกรรมฐ า, านกัน ก็รวมกาลังกายกาลังใจอยางหนักไปแนะนำพระกรรมาฐานตามสมควรแต่ก็พูดไม่ได้มากให้สิ้นได้นำสมาทานได้หลังจากนั้นก็คุยนิดหน่อยแล้วก็ต้องกลับมานอนก็รวมความมหาความสุขไม่ได้เอาเจะคิดกาโกมาเดนเวอร์ก็ยังป่วยอยู่มาที่บ้านเดนเวอร์เนี่ยใสยท่านย่างของบ้านผู้ใหญ่มารดาของบ้านช่วยสงเคราะห์ อ, อีกแรงหนึ่ง ค่อยวันเทาไปได้กลับไปถึงแคลิฟอร์เนียตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทพ่อเขาอยับเดินได้บ้างการเดินก็ต้องไปที่โนนศูนย์การค้าจะไม่ได้ไปซื้อของเพราะศูนย์การค้าเย็นที่ชิคาโกก็นหนาวเดนเวอร์ก็นหนาวพอถึงแคลิฟอร์เนียปลายกรุปร้อนต้องอาศัยศูนย์การค้าเป็นที่เดินพ่อเย็น ใครเขซื้ออะไรเป็นเรื่องของท่านแต่ก็ไปตอนนี้ก็ขอพูดหน่อยหนึ่งว่าการไปต่างประเทศคราวนี้ไม่จะรบกวนเงินสง่งบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่ในประเทศไทยช่วยส่งเคาะกันจริงๆสองแสนเศษแล้วก็บรรดาลูกหลานและมันดาญาโจมพุทธบริษัทที่อเมริกาทั้งชิคาโกเดนเวอร์ Denver, และแอนแอแลนซโอนเนีย ทั้งหมดก็ช่วยกันมาจริงๆล้านเศษเป็นนว่าเงินขบรนดาแทนพุทธบริษัทที่ทําบุญมาส่วนอื่นไม่ได้รบกนแต่โอกาสช่วยซื้อตัวเครื่องบินให้กับพระพระไปไหลายองค์พระพระทั้งหมดที่วัดท่าสงมีความเหนื่อยยากมากให้ไปปลอยคลายชีวิตบ้างแต่เงินขบรนดาแทนพุทธบริษัทที่ถวายมา ก็ซื้อเกี่ยวอุปกรณ์การศึกษาของนักเรียนจากอเมริกาหมดไปจริ ง, รงๆประมาณหกแสนบาทมากลับไปถึงประเทศไทยให้ช่วยการศึกษาอีกสี่แสนบาทเสียสี่แสนสามสองพันบาทแล้วก็นอกจากนั้นก็นำมาในการก่อสร้างบ้างเสียค่ากระแสไฟฟ้าพระบ้างก็เป็นมาปิวไป ก็หมดกันไปเป็นวันเงินบร น, นดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายทั้งในประเทศก็ดีนอกประเทศก็ดีมีประโยชน์เป็นสธนาธารณประโยชน์บ้างและการทาเป็นการสงเคราะห์ประสงค์ในพุทธศาสนาบ้างช่วยส่งเสริมพุทธศาสนาในการก่อสร้างและธรรมะบ้างขออาตมาก็ข อ, ข อ, ขอนโมทนาขบรนดาแานพุทธบริษัทที่นี่ได้มีการสงเคราะห์ข่าวนี้ขอความดีขบรนดาแานพุทธบริษัททั้งหมด จงโดนบันดาใน้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลและจงเจริญไปด้วยจา่าตรพิธักษ์พรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวรรณะสุขะพระละและปฏิพัณธ์ทุกท่านปรารถนาสิ่งใดค่อยได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาความจริงการพูดคราวนี้ <c oughs> ไม่ได้มีความประสงค์จะพูดเอกากันไปอเมริกาไปเที่ยวที่ไหนบ้างสถานที่ท่องเที่ยวจริงๆก็คือที่นอน และลูกหลานก็ดีแสนดีจริงๆในประเทศอเมริกาทุกคนแสนจะดีหมดในประเทศไทยทุกคนเราแสนจะดีหมดแต่ปรากฏว่าเมื่อกลับมาถึงประเทศไทยบรรดาลูกหลานและพุทธบริษัทญาติยาจโยนทั้งหลายที่มีความห่วงใยต่างคนก็ต่างมาถึงถานความทุกข์ไม่แก่การป่วยไข้ไม่สบายทุกตาส่วนใหญ่ก็เลยทั้งจะเป็นเกือบทุกคน แล้วคนที่รู้จักจริงๆอาตมาคิดว่าทุกคนต่างคนต่างนําจะถูกประจัยมาถวายเพื่อช่วยในการรักษาโรคมีหลายคนที่เข้ามาถามว่าหลวงพ่อป่วยไข้ามาสบายเป็นยังไงบ้างก็ตอบว่ามันก็แย่มากเป็นธรรมดาของร่างกายที่กลับเข้าไปซอยสายลมในกําลังเพียบจัดวันศุกร์ที่เข้าไป วันนั้นหนักมากอาการอักเสบของลำไส้หนักเป็นพิเศษก็ได้หมอห้าคนคือมัจจรูนหมอมนตรีหมอชนะหมอวัฒนะแล้วก็หมอชยัยศรีชื่อจริงๆนึกไม่ออกนึกเอาแต่ชื่อที่แต่งแต่งตั้งให้เรียกเคย อ, อย่างนั้นมันทนมนสบายดีรู้สึกว่าชื่อจริงๆมันเพราะมากเกินไปเรียกไวสนัท ตั้งห้าคนมาคอยให้ยารักษาโรคแต่ก็เป็นการโชคดีจริงๆวันนั้นบรรดาท่านพระตบริษัทชายหญิงคิดว่าไม่รอดพอไปถึงดอนเมืองก็อาการเครียดจัดออกจากดอนเมืองชันข้าวเสร็จไปพักที่บ้านท่านพลอากาศโทรนโรจนบิภคัคก็ออกมาแล้วก็อาการหนักมากนึกในใจ ว่าวันนี้ไม่วัดเทพก็วัดธาตทองอาจจะประจําบรรษาตลอดการที่นั่งก็ได้แต่อาการหนักมากเพียงใดก็ตามทีจิตใจยังสบายรู้สึกว่าเป็นของธรรมดาก็ใจก็นึกถึงพระเมื่ออาการป่วยมากเพียงใดก็ตามจิตก็นึกถึงพระมากเพียงนั้นเพราะพระจมนึกถึงพระ การนึกถึงพระเป็นความดีส่วนหนึ่งที่ว่าส่วนหนึ่งเป็นความดีถ้าพระตรงที่ว่าเป็นความดีสูงสุดแต่ว่าชาวโลกเอาจจะคิดไม่ถึงหรืคิดหรือไม่ได้คิดถึงก็ได้เป็นของธรรมดานึกถึงพระว่าวันนี้ถ้าจะตายก็เชิญตายขอไปตามวิถีทางที่เราตั้งใจไว้ก็ดีนึกถึงภาพพระจิตใจก็ตระหวัดถึงพระมีความรู้สึกว่า วันนี้ยังไม่ตายด้ความรู้สึกบอกต่อไปว่ายาที่หมอตัดสินใจถวายถูกต้องกับโรคให้การจะหายเร็วความจริงก็เป็นอย่างนั้นเมื่อถึงซอยสายลมท่านพกบ้านบ้านท่านภรรากาศโทรเสริมสุขสวัสดิ์ก็ปรากฏว่าพบหมอหมอจัดยาไ้เรียบร้อยแล้วฉันยาเข้าไปแล้วก็หมอก็ให้น้ำเกลือฉีดยานอนหลับไม่มีการพักผ่อน เมื่อตื่นจากหลับน้ำเกลือหมดหรือไม่หมดก็ไม่ทราบหมอก็ยังนั่งเฝ้านอนเฝ้าสงสารหมอต้องทิ้งการงานทิ้งความสุขจากบ้านรักษาโรคก็ไม่ได้เงินเงินก็เสียเสียจากการซื้อยาเสียเวลามาราักษาเสียค่ารถและนอกจากนั้นรักษาเสร็จก็เสียกระตังให้พระผู้ป่วยความดีของท่านหลายพวกนี้ลืมไม่ได้ พอถึงสี่โงยนอาการก็คลายตัวพอาาถึงหกโมงเย็นใกลอาการคลายตัวมากหลังจากนั้นก็ลงไปคุยกับบรรดาท่านพุทธบริษัทได้ก็งครอดชีวิตไนคราวหนึ่งก็มีบรรดาลูกหละนะานน้าญาติโยมทั้งหลายถามเรื่องความสุขทุกข์กที่ท่านมีความรู้ว่าไม่ป่วยแต่บางท่านที่ไม่ทราบก็มีมากอาการแสดงออกไม่ได้แสดงถึงว่าทุกข์เคยเวทนาเครียด การเยะคุยระบรรดาแตนพุทธบริษัททั้งโลกรวํกำลังใจอย่างหนักสู้แค่หมดลมถ้าธรรมะถ้ายางอื่นไม่เอาด้วยแน่ก็คนจะตายแล้วในที่สุดก็บะลอชีวิตมันได้มีท่านหนึ่งเข้ามาถามว่าหลวงพ่อป่วยมากไหมอีกท่านหนึ่งเข้ามาพาคุณแม่มาด้วยความจริงท่านคณะนี้ท่านช่วยมานาน กำลังทรัพย์ก็ช่วยมากแต่ว่าทุกคราวที่ช่วยเหลือไม่เคยบอกชื่อมาคราวนี้ท่านช่วยบอกชื่อเขียนชื่อมาให้สองท่านแล้วท่านหนึ่งพามันดามาฉันได้จำได้ว่าอ้อคนนี้คือบุตรของคนนี้นั่นเองแต่ว่าเจ้าของสงวนชื่อก็คงของสงวนตามความดีของท่านที่เกื้อกูลตลอดมาลืมไม่ได้ ยิ่งตั้งสถานที่สําคัญไว่นหนึ่งห้องกรรมฐ า, านและพระพุทธรูป ส, ส, สํำรับในสงศัยชื่อซ่อนรสองเจ้าของท่านไว้หากว่าท่านทราบชื่อของท่านลูกข่าวนี้ก็ขออภัยด้วยที่ไม่มีโอกาสจะได้บอกเล่าเก้าสิบเจ้าของนิญ่าไทยทราบเข้าใจว่าของนิญาตาเจ้ า, จ ข, อาของคงไม่ไนิย่าเพราะปกปิดมานานด้วยความดีของท่าน เขะก็นับท่านทั้งหมดอดที่จะทำไม่ได้ต้องทำเพราะความดีต้องรับด้วยความดีความดีต้องสนองด้วยความดีเวลานี้ก็ดึกมากบรรดาเท็มพุทธบริษัทมันกำลังป่วยแตอาการคลายตัวขึ้นมาสามวันคลายขึ้นมาแล้วนะสามวันอาการพอดีบ้างมีกาลังพอใช้ได้บ้างซ้อมเดินมาสองวัน พอเดินได้เวลานี้ย่าลงแต่ตรงชั้นล่างกุฏิไม่ไหวรอบรากุฏิข้างบอ่อและในสวนท้องหลังที่เคยเดินกลางวันตอนเย็นก็ไม่สามารถจะไปได้แต่เวลานี้ทีสองบรรดาท่านพุทบริษัทหลายเป็นวันที่สิบห้ามิถุนา ย, ยนสองพันห้าร้อยสามสิบลืมบอกไปตื่นขึ้นมานึกกมบบรดาไปจะคุยกับบรรดาท่านพทบริษัทผู้มีคนอย่าเป็นชั้นพี่ชั้นแม่ชั้น นาท่านอาท่านหลายก็ตามท่านลูกก็ตามก็ถือว่าเป็นผู้มีคุณเพราะชีวิตอาตมาทรงได้เพราะท่านทั้งหลายเพราะว่าท่านทั้งหลายเมื่อชมเคราะห์อาตมาก็หมดโอกาสจะมาพูดอย่างนี้ได้ก็จะเล่าเรื่องสู่กันฟังการปล่วยพ้นไปมาเมื่อเมื่อไม่กี่วันวันนี้เมื่อวันที่สิบแล้ววันที่เก้าวันที่เก้ามิถุนายนอาการปล่วยพิเศษที่ก่อนหน้านั้นสามวัน นอนดูนเห็นเลขเก้าขึ้นชัดมากตัวใหญ่แล้วก็มีวงกลมภายในมีสีแดงก็คิดในใจว่าสีแดงเป็นสนัญลักษณ์ของการป่วยถ้าจะป่วยอยู่แล้วถ้าจะมากขึ้นต้องดูสีมากจะน้อยต้องดูสีถ้าสีแดงจัดก็ป่วยมากสีแดงน้อยก็ป่วยน้อยถ้าสีแดงจัดถ้ามีเลขเก้าอยู่ภายในก็คิดว่าวันที่เก้าเราต้องป่วยแน่ เขาบอกวันที่เสร็จก็เป็นความจริงตามนั้นพอ ถ, ถึงวันที่เก้าอาการก็เครยหนักพอ ถ, ถึงวันที่สิบเวลาสามโมงเช้าเก้านาิกาว่าทั้งสองอย่างบางคนเรียกสามโมงเช้าบางคนบางคนบางคนเรียกเก้านาฬิกาก็เกิดปัดสสาวะไม่ออกความจริงไม่มีทีท่ามาก่อนอาการตายเริ่มปรากฏอยู่ๆก็ปัสสาวะไม่ออกเฉยๆเมื่อวีสองแปด มันเป็นมาแล้วครั้งหนึ่งก็ไอ้พอรมดคืนคงดีโทรศัพท์บอกหมอเจรุนเพราะคุณหมอทั้งห้าคนห่วงใหญ่มากนักษาทั้งที่กรุงเทพติดตามไปทั้งที่วัดยอมอดหลับอดนอนเสียเงินเสียทองเสียเวลาการงานไม่เป็นไรด้านนอกจากนั้นยังเตรียมห้องไว้ถ้าหลวงพ่อป่วยหนักอะไรจะเข้าห้องได้ทันทีความดีของหมอทุกคนและทุกท่านที่ห่วงใหญ่ลืมไม่ได้ เป็นความดีสูงสุดขั้นยอดชีวิตก็มานั่งคิดว่าพอถึงวันที่ก้าวฝอยหนักวันที่สิบแปดสบายไม่ออกก็คิดว่าการอย่างนี้ต้องผ่าก็นึกในใจว่าจะผ่ามันทำไมการผ่าตัดก็เจ็บเจ็บแล้วมันก็ไม่หายเจ็บแล้วก็ตายเจ็บครั้งนี้รักษาหายต่อไปก็เจ็บใหม่ไอต้องถูกไฟผ่าซับผ่าซ้อนรักษารับรักษ า, ซ, าซ้อนแบบนี้ไม่ควรจะมีต่อไป การเกิดมีชีวิตมาอย่างนี้ก็พอแล้วอายุเจ็ดสิบปีเศษที่พอนานพอแล้วก็ไม่พอจริงๆมันเบื่อเลยเกินเบื่อมานานแล้ว <c oughs> ลก็การงานก็ทำหนักการก็เคียดหนักป่วยก็ป่วยหนักขึ้น ท, ทุกวันตัดสินใจว่าการป่วยคราวนี้ก็ขอให้เป็นการป่วยครั้งสุดท้ายทุกกรมเวทนานใดๆจะมีก็ให้มันมีตามใจมัน เราจะตายเร็วเราจะตายช้ามันก็ตายเหมือนกันก็ไม่ควรจะมาประวิงเวลาก็ตายซ่้งเวลานี้ก็หมดเรื่องความจริงเรื่องนี้ตัดสินใจมาจากอเมริกาแล้วก็ควรจะตายแล้วก็ระยะจากอเมริกาพอถึงวันที่ที่สิบมิถุนา ย, ยนตัดสินใจมาสามครั้งมันเครียดจริงๆเหลือทนต้องใช้กำลังใจหนักมากเป็นพิเศษ แต่บรรดาแทนพุทธบริษัทก็น่าสะใจตัดสินใจแน่นอนใช้ใจดูกายว่าส่วนใดบ้างของร่างกายที่คมกระติดตัวตัวแล้วมันไม่ติดกันแน่มันช่วยกันไม่ได้จริงๆประสาทเสียหมดเราสาส์ทุกอย่างตายด้านก็คิดว่าคราวนี้คนจะตายถ้าถามว่าใครตายก็ปล่อยให้ร่างกายมันตายจิตใจมันตายไม่ได้แน่ หาที่ไปเมื่อพร้อมแล้วจิต ก, ก็เป็นสุขพอถึงเวลาเป็นสุขบรรดาเต็มพุทธบริษัตรายกรุพระปรากฏองค์พระท่านมาท่ า, ก า, า, กานก็บอกว่าร่างกายเนี่ยมันไม่ดีจริงต่อก็ไม่ติดแต่ว่าชีวิตยังไม่ควรจะดับก็กราบเรียนถามท่านว่าถ้าชีวิตไม่ดับอะไรจะทรงอยู่ในเมื่อประสาทมันใช้างานไม่ได้ท่านบอกควรจะอยู่ ถามท่านว่าจะอยู่ได้ยังไงในเมื่อเวลานี้กินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับปัสสาวะก็ไม่ออกมันก็ควรจะตายวันนี้การอยู่ไปไม่ได้เกิดประโยชน์ถ้าผ่าไม่ผ่าแน่แกปล่อยให้มันทรงทุกเวทนาแบบ น, นี้น้นที่สุดมันก็ต้องตายเองพระเถระบอกว่ารอก่อนชีวิตเป็นของมีค่าก็นึกในใจ ให้ชีวิตลายม้านี่มันมีค่าตรงไหนมันเลวแสนเลวไม่ได้ความทุกขเวทนาแล้วก็อดก็ทนมาได้ใยการท้่ปวงต่อไปนี้ไม่ขออดไม่ขอทนอะไรก็ตามทีจะช่วยใครต้นช่วยในการข่องตัวถ้าการขลองตัวไม่มีก็ไม่ช่วยใครเราช่วยท่านแล้วเราก็ไม่หมดทุกเราไม่ช่วยท่านเราทุกน้อยเราช่วยท่านเราทุกมาก เรื่องบุญในกุศลก็พอพอสมควรแกชีวิตที่เร็วสามแบบนี้ร่างกายเต็มไปด้วยความสุกปกโร ก, กเต็มไปด้วยความเร็วต้องการอะไรมันอีกนอนนึกว่าอะไรบ้างที่ยังบกพร่องในการบุญกุศลคิดแล้วก็มองเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรเลยเราทำพร้อมทุกอย่าง สิ่งใดที่พอธาตุบังเอิญจะไปเกิดใหม่เป็นคนสิ่งนั้นก็เพอเพียรพร้อมแล้วนั้นก็พร้อมมาแล้วก็สิ่งใดที่เกิดไปเทวดาก็ตามเป็นตรงก็ตามก็พร้อมแล้วสิ่งใดที่จะไม่กลับมาเกิดสิ่งนั้นก็พร้อมแล้วทุกอย่างเมื่อพร้อมก็ไม่จําเป็นต้องมาทุกใหม่ต่อไปตัดชิ้นใจว่าควรจะไปกันแน่พระเตยบอกว่ายังไม่ควร เขาบอกว่าถ้าเขากลับเรียนที่ว่าไม่ควรก็ต้องควยเพราะคราวนี้ไม่ยอมผ่าทิ้งยังไงก็ไม่ยอมผ่าโรงพยาบาลก็ไม่ยอมเข้าเพราะการเข้าโรงพยาบาลความเป็นใหญ่อยู่ที่หมอความเป็นใหญ่ไม่อยู่ที่คนไข้เมื่อหมอจะทําอะไรก็ต้องตามใจหมอในเมื่อหมอทำไม่ยังไงก็ตามมันก็ต้องตายวันนี้ไม่ตายวันหน้าก็ตายปีนี้ไม่ตายปีต่อไปก็ตายมันต้องตายกันแน่ ในเมื่อจะตายค่อยตายระยะใ ก, กล้ๆไม่ทรมานมากท่านก็ น, นิ่งในที่สุดท่าบอกว่าไม่ต้องผ่าจะอยู่ได้ไหมก็กล่าวเป็นในว่าถ้าร่างกายมันอยู่ด้ดีก็อยู่ร่างกายอยู่ไม่ดีก็ไม่ขออยู่ว่าอยู่ไม่มีประโยชน์มีแต่ทุกข์ท่านก็เลยบอกว่าเอาละต่อไปฉันจะช่วยให้ค่อยๆดีขึ้นใจใจเร็วนักนะ แต่ก็บอกว่าการคราวนี้ไม่ต้องผ่าเพราะโรคคราวนี้ไม่จะเป็ น, กกนเพราะลูกหมากสิ้นลูกหมักโตความจริงแล้วอุจาระมันแข็งจัดในกระเพาะอุจาระแล้วก็มันเบียดท่อปัสสาวะทําให้ปัสสาวะไม่ออกเธอจงดูว่าเป็นความจริงตามนั้นไหมท่านก็ชี้ให้ดูเมื่อดูแล้วก็ทราบตามความเป็นจริงท่านก็บอกว่าการล้างท้อง หมอย่อมไม่พอใจแต่ถึงกะไรก็ดีเธอต้องล้างทองถ้าไม่ล้อ้ม่ล้างทุกเวทนาจะหนักกว่านี้แล้วก็ยังไม่ตายท่านตท่านพูดแล้วก็นึกหนักใจว่าทล า, างทองมาเอิญมันไม่หายจะว่ายังไงท่าบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันตอนบ่ายสองโมงไปรับแขกตามปกติ <c oughs> กาจรจีงการรับแขกก็งำง๋มเต็มทีพูดกับแขกก็ไม่ไหวนั่งเป็นทุ๊กาตาเป็นสังขารนิติไปเรื่อยๆไปเวลาก็กลับกลับมาก็แจกการให้เจ้าหน้าที่ทาการล้างท้องก็เป็นเรื่องน่าเสีจดาพอล้างท้องเสร็จปัสสาวะก็พุ่งโชนทันทีท้องโล่งหมดทุกไปตัวมาร่างกายก็เพลียนิดหน่อย แต่ความจริงการล้างท้องว่าเพียมากเอาแต่มาไม่เคยเพียมากเลยที่ไม่รู้สึกเพียเพราะประสาททั้งร่างกายมันตายถ้าพูดอย่างนี้ท่านนังหลายที่ไม่ป่วยเองไม่ทราบหมอถ้าพูดตำหลักวิชาก็ไม่ทราบแล้วร่างกายตายจะทรงอยู่ได้อย่างไงอันนั้นเป็นเรื่องของพระถ้าพระแจเพื่ทราบตามความเป็นจริงแล้ว ก, ก็ดีหมอที่โรงพยาบาลแม่ระเด็ก ชื่อว่าอะไรเขาเขียนตำรามาให้เขาอ่านดูอชื่อว่าคุณหมอวุฒิชัยหรือ ใ, แบบในแพทย์วุฒิชัยองศ์อะไรเนาะวงศ์กรท่านอาจารย์าร์เขาเขียนมานะ่ะก็อ่านไปก็ออกนะักเขาเรียกว่างหมอวุฒิชัยองศ์ก่อนเธอนัดว่าจะมาประมาณใกล้ๆสี่โมงเยินที่หกนาฬิกาจะจัดมาสนปัสสาวะออก ตอนที่หน้าคุณหมอจะมาประมาณทักสามโมงครึ่งและสิบห้านากสามสิบเจ็ีประมาณนี้ก็ลงไปพักคอยหมอนอนอยู่บนเตียงมันเพลียนหน่อยก็หลับตาหลับตายก็ภาวนาตามปกติเรื่องตามเรื่องราวของพระจีก็คิดว่าเองจะตายก็เชิญตายเองไม่ตายแล้วก็อยากให้เธอตายจะไม่ตั้งใจจะฆ่า เราอยากจะไปบ้านของเราบ้านอยู่ไหนเป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้ในฐานะที่เป็นสาว ก, กอวาของส์สมเด็จพระบรมครูถือว่าเรื่องตายเป็นของธรรดาเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องตายเรื่องเล็กก็ เ, เกิดมากินมากตายน้อยนั่นคือกินไหลไม่รู้นับยิ่มไม่โตนแต่ตายครั้งเดียวตายครั้งเดียวก็ถึงที่สุดกันก็นึกในใจว่าอ๋อมันจะตายก็เชิญตายก่อนจะตายก็อยึดพระเป็นที่พึ่ง ก็ภาวนาทำผิดสบายบรรดาเต็พุทธบริษัททั้งหลายพอจับลมให้ใจเข้าให้ใจออกเพียงแค่ไม่ถึงสองรอบิตก็เคลิมปีกก็เคลิมหมดความรู้สึกภายนอกก็ปรากกว่าฝันนอนฝันฝันกลางวันสุนัขนอนล้อมรอบแล้ก็ฝันแต่ความจริงเรื่องสุนัขที่บรรดาเต็นพุทธบริษัทอาตมาขอพูดสักนิดหนึ่ง เพราว่าไปป่วยที่อเมริกาอาการมันเหมือนกับสุนัขป่วยคําว่าสุนัขป่วยหมายความว่าอาตมาในมีสุนัขอยู่มากความจริงมันสองตัวพ่อแม่แต่ว่าในสุดมันก็กลายเป็นหลายสิบตัวแค่สองตัวพ่อกับแม่เท่านั้นทั้งลูกทั้งหลานมากมายเจ้าสุนัขนี่ก็เหมือนลูกถ้ามันออกใหม่ๆ ใ, ให้เจ้าแม่ก็ต้องพามาเวลาเอาใหม่ลูกยังเดินไม่ค่อยได้เวลากลับมาจากรับแขก เจ้าแม่ก็ไปคอยดักหน้าประตูพอเข้าประตูบริเวณกระติมก็เดินนําหน้าพาไปหาลกูกไอ้เจ้าลูกก็มานอนบนตักตัวเล็กๆตักก็นอนหลายตัวถ้าไหลแม่แต่ละแม่ก็มาคอยเอาอจากแม่นี้แม่ไหนก็พาไปห้องของตัวมันเป็นอย่างนี้สุนัขครลูลกก็มีความรักในมันมันมีความซื่อสัตย์สุจริดีแต่เจ้าสุนัขพวกนี้มันตายไปหลายตัวอาการที่เป็นก็คือว่าวิ่งเล่นอยู่ดีๆมีแรงมาก พอาการไข้จะปั๊บมันจะหมดแรงทันทีแล้วก็ลุกไม่ขึ้นท้องอืดพายไม่ออกในที่สุดก็ตายรักษ า, าไม่หายก็ดีหมอเจรูนหมอมนตรีหมอชนะอะไรก็าตามแล้วก็มีท่านสัตวแพทย์ท่านหนึ่งจากกรุงเทพไม่รู้ชื่อท่านแก้ชีวิตหมาไว้มากหลายตัวกำลังจะแย่ท่านหมอพวกนี้ไปถึงให้การนักเยียวยารักษาหายความดีของท่านลืมไม่ได้เป็นความดีสูงสดุด อะรบรรดาญาโยมพุทธบริษัทไม่จะพูดหน่อยนึงก็หมดเวลาไปส0มสิบนาทีตอนนี้ไปก็ขอหยุดแค่นี้หนึ่งขอต่อมาหน้าใหม่ของเทพอสักนิดนะเพราะว่าแหมก็จะเข้าเรื่องได้กับนานได้เกินอล้ขอหยุดท่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ยับใหม่กยับใหม่